เจริญนทั้นสาธุชนพุทธมราสภบาลภูบาสิกาผู้ใฝ่ธทรมทุกท่านวันนี้เป็นวันวันพระหัสที่ก้าพฤษภาคมพุทธศักราสองพัห้าร้ห้าสิบกเป็นวันพระวันธรรมบักโสวนาวันธรรมความเพีย เพราะการทำความเพียรเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติวันธรรมสวานาวันฝังธรรมนี้ให้สาธุชนพุทธบริษัทได้เข้ามาวัดเพื่อมาทำความเพียรเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการทำความเพียร ก็คือให้ทำความดีที่ยังไม่ได้ทำให้รักษาความดีที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปให้ละบาปที่มีอยู่ให้หมดไปและให้ป้องกันบาปที่ได้ละแล้วไม่ให้กลับคืนมาอีกนี่คือการทำความเพียนเพื่อการหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายเช่นวันนี้เรามารักษาสีห้าถ้าเรายังรักษาสีห้าไม่ได้วันนี้เราต้องรักษาให้ได้อย่างน้อยก็หนึ่งวันก็ยังดีถ้าเรารักษาสีห้าได้แล้ววันนี้เราก็ต้องมารักษาสีแปต้องทำเพิ่มขึ้นไปจนกว่าจะเต็มร้อย เหมือนเติมน้ำเข้าเข้าตู้น้ำเราต้องตักบ่อยๆตักไปเรื่อยๆตักให้มากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดน้ำก็เต็มต่้พอน้ำเต็มต่้แล้วเราก็สบายเราไม่ต้องเติมอีกต่อไปนี่คือใจของเราเป็นอย่างนี้ใจของเราตอนนี้มีความทุกข์ที่เกิดจากการทาทบาสมีความสุข ที่เกิดจากการทำบุญถ้าเราอยากจะให้ใจของเรามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เราก็ต้องทำบุญให้มากๆและละการทำบาปให้มากๆจนไม่ทำบาปอีกเลยแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นี่คือเรื่องของการมาวัด เพื่อมาทําความเพียรมาทําบุญให้ทานถ้าเราไม่เคยใส่บาตรเลยอย่างน้อยวันพระ่างน้เราก็ใส่บาตรสักครั้งหนึ่งถ้าเราใส่บาตรอยู่ทุกวันวันพระเราก็มาวัดเพื่อมาใส่บาตรให้มากขึ้นมาทําถวายสังฆทานถวายเจตุ ป, ปัไจัยไทยธรรมต่างๆ ให้แก่พระให้แก่วัดว า, ารามเพื่อทำให้ใจของเรามีความสุขมากขึ้นศีลเราก็รักษาให้มากขึ้นแต่อย่าทำให้น้อยลงไปถ้ารักษาศีล5าได้แล้วก็ต้องรักษาต่อไปแล้วก็เพิ่มจากศีล5าไปเป็นศีลแปดจนกว่าจะได้ห อ, อบบวช ก็ได้ถือสิงก้องนอกบวดต่อไปพอได้บวดแล้วเราก็จะได้ทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการภาวนาการภาวนานี้เป็นบุญที่จะทำให้เราได้รับความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันหมดไปไม่เหมือนกับบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่ทำไปก็หมดได้ แต่ถ้าบุญที่เกิดจากการภาวนาเกิดจากสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาบุญนี้จะไม่หมดไปจะมีเต็มเป่ยมอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาแต่ก่อนที่เราจะทำบุญระดับวิปัสนาได้เราก็ต้องทำบุญระดับทานก่อนเราต้องทำบุญระดับศีลก่อน เพราะถ้าเราทำทานไม่ได้ยังรักษาศีลไม่ได้เราจะไม่มีกำลังที่จะมาภาวนามาหยุดความคิดต่างๆมาหยุดกิเลสตัณหาผู้ที่คอยดึงใจให้ไปทำบาปทำกรรมเป็นผู้ดึงใจให้ไปสร้างความทุกข์ต่างๆเราจึงต้องทำบุญก่อนทำทานก่อน อย่าเสียดายสมบัติเข้าของเงินทองมีไว้เก็บไว้เท่าที่จำเป็นมีเหลือก็เอาไปช่วยเหลือผู้อย่ารวยทางเงินทองให้รวยบุญดีกว่าเพราะบุญนี้เราเออกไปได้เงินทองนี้เอาไปไม่ได้ถ้าเราหวงเงินทองไม่ยอมทำบุญเวลาตายไปเราจะไปแบบขอทาน พะเราไม่มีบุญติดตัวกับเราไปบุญนี่แหละเป็นทรัพย์เป็นเงินทองที่เราจะใช้เวลาที่เราออกจากร่างกายไปแล้วเรามีบุญเราก็จะสามารถใช้บุญนี้พาเราไปท่องเที่ยวในแดนสวรรค์ได้ถ้าเราไม่มีบุญเราก็จะต้องไปเป็นขอทานขอทานในทางจิตวิญญาณ ก็คือเป็นเปรตนี่เองต้องคอยมองเรารับส่วนบุญของผู้อื่นอย่างพวกเราวันนี้เราทำบุญเสร็จแล้วเราก็กรวดนะ้ำบุญที่เรากรดไปนี้ก็ให้กับพวกเปรตนี่เองเพราะพวกอื่นเขารับไม่ได้เช่นถ้าอยู่ในนรกก็ไม่สามารถออกมารับบุญที่อุทิศได้ ถ้าเป็นเดรัจฉานก็รับบุญไม่ได้เดรัจฉานก็ต้องไปท ร, รมาหากินตามกำลังของเขาถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเศรษฐีบุญก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญมีพวกงเดียวท่านั้นที่รอรับส่วนบุญก็คือพวกขอทานทางจิตวิญญาณที่เราให้ชื่อว่าเปรตนี่เองทำอย่างไรถึงเป็นเปรต ก็เป็นเปรตเพราะเวลามีชีวิตอยู่มีความห่วงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็จะทําบาปเพื่อให้ได้รับเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็จะทําบาปเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเอาไว้เช่นมีใครมาขอเงินก็บอกว่าไม่มีอย่างนี้ นี่ก็เป็นการโกหกแล้วแทนที่จะบอกว่าไม่ได้เงินของใครเงินของมันเราหามาด้วยลําแคลงลําขาคุณอยากจะได้เงินคุณก็ต้องหาด้วยรังแคลงลําขาไม่จําเป็นที่จะต้องโกหกงารโกหกนี้เป็นการทําบาปเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเอาไว้ตายไปเราก็เลยต้องไปเปนรต ถ้าไม่โกหถึงแม้ว่าจะหัวเงินไม่ได้ทำบุญก็จะไม่ต้องไปเป็นเปร่ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้ทำบาปหรือไม่ได้ทำบุญไม่มีบุญไม่มีกำลังจะเดินไปอาบัยบุญไม่มีกำลังจะเดินไปสวรรค์บาปไม่มีกำลังจะดินใจไปอาบัยใจก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้า บุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะยังให้ไปสวรรค์ให้ไปท่องเที่ยวในโลกสวรรค์จนกว่าบุญจะหมดบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องภาวนาเพราะการภาวนานี้จะเป็นทางกำจัด ตัวที่ผรักดันให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดตัวที่ผรักดันใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหานี่เองกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกฤฤิตล้นความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าใจของเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่ มันก็จะทําให้ใจของเราต้องไปทําตามความอยากเช่นถ้าอยากไปดูรูปฟังเสียงลิ้มรสดมกลิ่นสัมผัสกับสิ่งต่างๆก็ต้องมีร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่เพราะยังอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะอยู่เหมือนกับคนที่สูบบุรี พอบุหรี่ซองนี้หมดแล้วก็อยากจะสูบอีก <c oughs> ก็ต้องไปซื้อบุหรี่ซองใหม่มาสูบคนที่ดื่มสุราหรือคนที่ดื่มกาแฟก็เหมือนกันเวลาสุราหมดก็ต้องไปซื้อขวดใหม่มาเวลากาแฟหมดก็ต้องไปซื้อกาแฟใหม่มาคนที่ชอบดูละครก็เหมือนกันพอดูละครเรื่องนี้หมดก็ต้องหาละครเรื่องใหม่ดู คนที่ชอบซื้อของก็เหมือนกันซื้อกระเป๋าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาซื้ออะไรหนิต้องซื้อหนือนไปเรื่อยเรี่เรียกว่ากามตัณหาความอยากในการถ้ามีความอยากในการอยู่ในใจก็จะต้องกลับมามีร่างกายตายไปแล้วร่างกายอันนี้ตายไปแล้วก็ต้องกลับมาหาร่างกายอันให ม, ามา่ทีนี้จะหาร่างกาย มนุษย์หรือร่างกายของเดระฉานก็อยู่ที่บนหรือบาปถ้าทําบาปก็จะไม่ได้ร่างกายมนุษย์ต้องไปได้ร่างกายของเดรัฉานก่อนจนกว่าจะหมบาปแล้วถึงค่อยกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ถ้ากลับมาจากอบายก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ที่ต่ําต้อยอาภัพวาสนาเกิดมาเป็นคนยากจน เกิดมามีรูปร่าง อ, อัปลรรักษณ์หน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสเพราะนี่คืออ น, นิสง์ของบาปที่ได้ทำไว้ยังติดมากับใจทำให้ใจนี้มาได้ร่างกายที่ไม่ดีอายุไม่ยืนยาวนานสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงอาการไม่ครบ32สองนี่คือการ ผลที่เกิดจากการทำบาปถ้าผลที่เกิดจากกาบุญตายไปก็จะได้ไปท่องในโลกสวรรค์ไปท่องในโลกทิพย์พอกลับมาก็จะมาแบบผู้มีวาสนาบารมีกลับมามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสอาการครบ32สองอายุยืนยาวนาน ไม่มีโรไภัยไข้เจ็บเบลี่ยนเบียนย น, นี่คือลักษณะของผู้ที่ทาบุญแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าผู้ที่ทาบุญ้าำบาตแล้วก็ภาวนาทำใจให้สะอาดได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ผู้นั้นก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป การไม่ได้กลับมาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าสูญหายไปไหนก็อย e. ู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดนั่นเองผู้ที่ไม่กลับมาเกิดนี้จะอยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดที่มีความสุขที่สูงสุดความสุขที่เรียกว่าปวมังสุขขังเพียงแต่ว่าเราไม่เรียกว่าสวรรค์เราเรียกว่านิพานนิพานก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดนั่นเองสูงกว่าชั้นเทพสูงกว่าชั้นพร แล้วก็เป็นสวรรค์ที่ไม่ต้องตกลงมาไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหที่ยังจะต้องเสื่อมลงมาได้เป็นพรมพอหมดบุญของพรก็ต้องลงมาเป็นเทพพอหมดบุญของเทพก็ต้องลงมาเป็นมนุษย์มาเกิดใหม่มาได้ร่างกายใหม่มาต้องมาทำมาหากินใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ ถ้าเบื่อก็ต้องภาวนาถ้าไม่อยากจะกลับเมื่อเกิดเพราะความเกิดนี้เกิดจากผู้ที่ยังมีความอยากอีถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องหยุดความอยากหยุดความโลภให้อยู่แบบมักน้อยสัมโดยินดีตามมีตามเกิดเอาเท่าที่จำเป็นไม่ได้ทำด้วยตางความอยากเช่นการหาปัจจัยสีมา เพื่อเลี้ยงชีพนี้ไม่เรียกว่าเป็นความอยากถ้าหามาพอราประมาณหามาเท่าที่ร่างกายต้องการไม่อย่างนี้ไม่เป็นความอยากพระพุทธเจ้าก็ยังต้องหาปัจจัยสี่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องออกบินทบาหาหาพระพุทธเจ้าก็ต้องหาผ้าบางสุขุลมาทาเป็นจีวรมาเพื่อนุง่งห่ม ข้าพุทธเจ้าก็ต้องหาที่หลบแดดหลบฝนหาที่อยู่อาศัยพราพุทธเจ้าก็ต้องฉันยาเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่ได้ทําด้วยความอยากทํา้วยตามมีตามเกิดทําตามเหตุผลถ้ามีข้าวฉันก็ฉันไม่มีข้าวฉันก็อดไปถ้าไม่มีผ้าบังสุขขกุนก็ก็ไม่ต้องมีผ้า ถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยก็อยู่ตาโคลนร้างาอยู่ตามเรือนร่างอยู่ตามถ้ำตามหน้าผาเงื่อมผาถ้าไม่มียารักษาโรคก็กดื่มน้ําปัสสวะไปนี่คือลักษณะของผู้ที่หาปัจจัยสี่โดยไม่ได้เกิดโดยไม่โดยไม่ได้ใช้ความอยากไม่เหมือนพวกเราที่หาปัจจัยสี่แต่หาด้วยความอยาก อยากได้บ้านใหญ่ๆโตๆอยากจะได้เสื้อผ้าอภรรสวยงามอยากจะได้อาหารวิจิตพิสดารอยากจะรักษาตามโรงพยาบาลเอกชนอย่างนี้เรียกว่ายังหาปัจจัยสี่ด้วยความอยากถ้าหาแบบไม่อยากก็คือไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลของรัฐบาลรักษาไปตามมีตามเกิด หายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้าอยู่กับมันไม่ได้ก็ตายไปไม่ว่าจะรักษาที่ไหนรักษาโงรงพยาบาลของรัฐบาลหรือรักษาโงรงพยาบาลเอกชนมันก็ตายเหมือนกันโงรงพยาบาลเอกชนนี่ก็มีคนไข้ที่ตายเยอะแยะไปเหมือนกับโงรงพยาบาลของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเล่นโลนกับเรื่องของการ รักษาพยาบาลมากจนเกิดไปรักษาไปตามมีตามเกิดตามบุญตามกรรมหายก็หายไม่หายก็ตายเป็นเรื่องปกติก่อนมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นมหาจากักรพรรดิมหาเศรษฐีหรือมหายาจบ ก, ก็ตายเหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันแก่เหมือนกัน ถ้าเราเน้นน้นหามาด้วยความอยากเราก็จะมีความทุกข์ใจแต่ถ้าเราหามาด้วยความไม่มีความอยากหาไปตามบุญตามกรรมตามมีตามเกิดอย่างนี้จะไม่มีความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้รุนแรงกว่าความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตายนี้มันอยู่ที่ร่างกายมันเป็นส่วนย่อย ถ้าเป็นน้ำก็เหมือนน้ำในตุ่มความทุกข์ขนาดน้ำในตุ่มนี้มันสู้ความทุกข์ขนาดน้ำในบึงในสระไม่ได้ความทุกข์ของใจนี้เป็นเหมือนน้ำในบึงในสระมันมากกว่าหญ่กว่าความทุกข์ของทางร่างกายถ้าเราไม่มีความทุกข์ทางใจแล้วความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปนัญหากับจิตใจ ใจมีความสุขมีความสงบแล้วความทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นเพียงของเล่กน้อยเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บหรือเวลาล่างกายตายผู้ที่มีความสุขทรรใจเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของทางร่างกายนะดังนั้นขอให้เราอย่าไปทํำ อะไรตามความอยากยอมรู้จักรู้จักอด บ, บ้างยอมอด บ, บ้างดีกว่าทําตามความอยากเพราะจะทําให้เกิดความทุกข์ใจไม่คุ้มกับความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายเท่ากับน้ําในตุน่นแต่ความทุกข์ทางร่างทางจิตใจนี้เท่ากับน้ําในบึงในสระสู้ทำ ตรงกันข้ามดีกว่ายอมทุกทางร่างกายแล้วก็ามาสุกทางจิตใจดีกว่าผู้ที่มีความสุขทางจิตใจนี้อดมือ้อกินมือก็อยู่ได้อยู่กินข้าววันละมือก็อยู่ได้เลื่อทุกสองวันก็กินวันเว้นวันก็อยู่ได้เพราะใจมีความสุขความทุกข์ความหิวของร่างกายเป็นส่วนเล็กน้อยไม่สามารถหมาสู้กับความสุข ทางใจไนดะ้พระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้เรามาตัดความอยากกันเพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจให้อยู่แบบมากน้อยสั đi, มโดยินดีตามมีตามเกิดสัมโนตุก็คือยินดีตามบุญตามกรรมของเราเร า, ามีฐานะมีความสามารถที่จะหามาได้มากน้อยเราก็ให้มีความยินดี กับความสามารถของเราอย่าไปอยากได้มากกว่าที่เราสามารถจะหาได้เพราะจะทําให้เราต้องไปทําบาปเพราะการที่จะหาเงินมาได้มากกว่าที่เราสามารถจะหาได้โดยวิธีสุจริตเราก็ต้องหามาโดยวิธีทําบาปนั่นเองพอทําบาปแล้วมันก็ไม่คุ้มกับเงินทองที่ได้มา ว่าเวลาตายไปก็ต้องไปใช้กรรมนายาบายไปติดคุกตารางน า, นายาบาลไปตกนรกไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าเราหามาตามบุญตามกรรมตามความสามารถของเราด้วยวิชัยที่สุดจริญเราก็จะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางนายาบายนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะ กระทำกันก็คือพยายามตัดความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปให้มันเบาบางลงไปโดยการใช้ความมักน้อยสันโดษแทนที่อยากจะได้มาก้ากก็อยากจะได้น้อยนความอยากได้น้อยๆนี้ไม่เป็นตัญหาไม่มีไม่เป็นความอยากแต่ความอยากได้มากมากนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความอยากคำว่าอยากได้น้อยก็คือ เอาเท่าที่จําเป็นอพออยู่หน้ถ้าได้มากกว่านี้ก็แบ่งให้คนอื่นไปเหมือนเวลาเราตักับาข้าวที่ศาลานี้เราก็เอาพอที่เรากินก็พอจะได้แบ่งให้คนอื่นเขาไปถ้าเราเอานอกมากคนอื่นเขาก็จะไม่ได้กินหรือได้กินน้อยเราก็จะไม่มีความสุขเพราะเราเบียดเบียนผู้ แต่ถ้าเราเอาพอประมาณแล้วแ บ, บ่ให้ผู้เขามีรับประทานเราเห็นเขามีอะไรรับประทานเราก็จะมีความสุขปะยิมาณมักน้อยไว้เราจะตัดความอยากต่างๆได้ถ้ามักมากแล้วมันก็จะโลกไม่รู้จักวันไม่มีวันสิ้นสุดได้คือก็อยากจะได้เป็นสองได้เป็นสองก็อยากจะได้เป็นวานได้แสนก็อยากจะได้ล้าน ไล้านก็อยากจะได้สิบล้านร้อยล้านพันน้านขึ้นไปยิ่งอยากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งวุ่นวายใจยก็ยิ่งไม่สงบยิ่งไม่มีความสุขอย่างแทนที่จะมีความสุขจากการมีเงินมากๆ ก, กับไม่มีความสุขเพราะไม่มีความพอเองแต่คนที่มีความพอไม่จะไม่ร่ำลม่รวยไม่มีสมบัติมากมายก่ายกอง แตใจมีความสุขเพราะความพอนี้จะทำให้ใจอิ่มทำให้ใจสบายความหิวความอยากจะทำให้ใจเครียดจะทำให้ใจวุ่นวายนั่นเองนี่คือการตัดความอยากต่างๆต้องตัดด้วยความมัดน้อยสนดุแล้วก็ใช้ใช้เหตุผลเวลาอยากได้อะไรก็ถามว่าจำเป็นไหม ถ้าจำเป็นก็แสดงว่าไม่เป็นความหยากเช่นสมมติอยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่เพราะของเก่ามอนขาดหมดแล้วใส่ไม่ได้แล้วจำเป็นจริงๆซื้อมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรซื้อมาได้แต่ถ้าอยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่เสื้อผ้าเก่ายังมีดีอยู่ยังมีเต็มตู้อยู่อย่างนี้ก็ต้องใช้เหตุผลว่าไม่ควรจะซื้อมา เช่นเดียวกับการรับประทานอาหารก็เหมือนกันรับประทานอาหารพอประมาณถ้าอิ่มแล้วก็พอแล้วควรจืดถึงแม้ว่าอยากอยากจะรับประทานอีกก็ต้องใช้เหตุผลว่ารับประทานไปแล้วก็จะเป็นภัยต่อร่างกายทําให้ร่างกายมีน้ําหนักมากเกินไปทําให้มีโรคภัยต่างๆเพิ่มขึ้นมีโรคความดัน โรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆเพิ่มตามขึ้นมาแต่ถ้าเรารักอาหารพออิ่มพอประมาณก็จะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเพิ่มขึ้นให้คิดอย่างนี้ใช้เหตุใช้ผลแล้วเราก็จะอยู่แบบมักน้อยอยู่แบบสันโดษได้ถ้าเราอยู่แบบมากน้อยอยู่แบบสันโดษได้เราก็จะ ตัดความอยากต่างๆได้นอกจากความอยากในเรื่องของการใช้สอยแล้วเราก็ต้องมาตัดความอยากในทางการอารมเช่นอยากจะมี ى, ความสุขทางตาหูจมูกร่้นกายเราก็ต้องสอนใจว่าเป็นความสุขเหมือนเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขแต่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ปลาที่มาเห็น เหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชาแต่ไม่รู้ว่ามีตะขอเบ็ดที่จะเกี่ยวปากปลาต่อไปพอตะคุบเหยื่อ้าไปพอเจ้าคนที่เขาตกปลาเขาก็ตกเห็ดมันก็ไปเกี่ยวปากปลาทีนี้แหละจะเจ็บมากกว่าสุขจะทุกข์มากกว่าสุขความสุขก็ได้จากการกินเหยื่อชินเล็ก แต่ความทุกข์ก็จะได้จากตะขอเบ็ดที่เกี่ยวปากอยู่เช่นเดียวกับกาความอยากความหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เช่นกันเวลาได้เสพได้สัมผัสความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดีอกดีใจมีความสุขแต่พอเวลาที่ไม่ได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นลน้นทางตาหูจมูกลิ้นกาย ตอนนั้นก็จะเกิดความเศร้ า, รา้อยห้อยเหงาเกิดความ ว, าว้าวเกิดความเบื่อนายเช่นเวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวเวลาที่แฟนหรือคู่รักของเราไม่ได้อยู่กับเราเขาไปทุระหรือเขาจากเราไปเวลานั้นเราจะไม่มีความสุขเลยจะมีแต่ความทุกข์เช่นเดียวกับเวลาที่เราได้ดูละครเราก็มีความสุข แต่ถ้าเกิดโทรทัศน์เสียหรือไฟดัไม่ได้ดูวันนั้นก็จะมีอารมณ์หงดหงิดมีอารมณ์ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเศร้าส้สอยหงอยเหงาหรือการดื่มสซดาก็เหมือนกันเวลาได้ดื่มก็มีความสุขพอเวลาไม่ได้ดื่มก็หงุดหงิดลาคาใจเช่นเดียวกับกาแฟบูรีหรือขนมนมเนยอะไรต่างๆ ที่เรารับประทานด้วยความอยากเพราะถ้าเรารับประทานด้วยความอยากแล้วเราจะต้องหามารับประทานอยู่เรื<ๆ>่อยๆถ้าหามาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรารับประทานแบบตามมีตามเกิดมีก็รับประทานไม่มีก็ไม่รับประทานไม่มีก็ไปหาไม่ไม่ไปหามารับประทานอย่างนี้ก็จะไม่เป็นความอยากรับประทานตามมีตามเกิด ไม่มีก็ไม่รับประทานไม่มีกาแฟก็ไม่ดื่มไม่มีสุราก็ไม่ดื่มไม่มีบุหรี่ก็ไม่สู่ไม่ไปหามาถ้ามีคนเอามาให้ก็ก็สู่ไปดื่มไปอย่างนี้จึงจะเรียกว่าดื่มเลือกทำอะไรโดยไม่ได้ทำตามความอยากอย่างนี้จะไม่มีความทุกข์เพราะเวลาที่ไม่มีดื่มไม่มีรับประทานก็จะรู้สึกเฉยเฉย ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือวิธีที่เราจะต้องใช้ในการกาจัดความอยากต่างๆการที่เราจะทำได้อย่างถาวรเราก็ต้องทาใจให้สงบก่อนถ้าใจสงบแล้วใจจะมีความสุขที่ดีกว่าก็จะเริ่มหาความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายได้เริ่มหาความสุขจากการมีจากการเป็นเริ่ม เลือกหาความสุขจากการหนีจากสิ่งที่ไม่ปรารถนาเช่นหนีจากความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นสิ่งที่เราหนีไม่ได้เราต้องทำใจอยู่กับมันให้ได้มันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันตายนี่คือวิธีหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากในการอารมหยุดความอยากมีอยากเป็น หยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นด้วยการทำใจให้สงบด้วยการสอนใจไม่ให้เกิดความอยากเพราะเกิดความอยากแล้วจะเกิดความทุกข์ตามมาพอใจรู้แล้วใจฉลาดแล้วใจก็จะไม่อยากอีกต่อไปพอไม่มีความอยากก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปก็จะอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นสวรรค์ชั้นถาวร สวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมผลที่เกิดจากการที่เรามาทาความเพียรในวันพาคอันนี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำความดีมาลา บ, บาปมาําระความโลภความอยากความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจเพื่อเราจะได้พบกับสวรรค์ที่ถาวรต่อไป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 Mm-mm. -hmm.